เราโดยทั่วไปก็มีความอยากอยู่สองอย่างก็คืออยากมี <c oughs> ตอยากเป็นความอยากเนี่ยเช่ความอยากมีเนี่ยความเกิดขึ้นแล้วก็มีความยึดติดมีอะไรก็ตามก็ยึดติดมาเป็น ของเรามาเป็นของฉันความอยากก็ดิ้นรนให้เราแสวงหาสิ่งต่างๆ ม, มากมายทั้งรูปธรรมนามธรรมพอได้มาแล้วก็ยึดว่าเป็นของฉันอยากเป็นอะไรแล้วก็ตามก็แสวงหา พอได้มาก็ไปยึดว่าเนี่ยเป็นชั้นแต่ให้เราลองสังเกตดูนะอะไรก็ตามที่เรายึดว่าเป็นของเราเป็นของชั้นเช่นบ้านของชั้นรถของชั้นทอนของชั้น แต่พอไปทีดเข้านี่มันกลับสลรปัจจนะุมันไม่ใช่ของเราแล้วเราเป็นของมันบ้านไม่ใช่ของเราแล้วเราเป็นของบ้านรถไม่ใช่ของเรานะเราเป็นของรถแม้เขาว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมันเราก็แย่ไปด้วย จอดรถไว้ที่ไหนกลางถนนก็คอยกังวลไม่เป็นอันทำงานคิดแต่ใจก็คิดแต่ไปอยู่ที่รถรถถูกชนรถถูกควนเหมือนก็มนกับปวดร้าวใจบางคนมีไฟไหม้บ้านนี่เพชรพลอยทองอยู่ในบ้านไม่ได้คิดอะไรเลยนะ ตัดสินใจฝ่ากองไฟเข้าไปในบ้านเสร็จแล้วก็ตายในกองไฟอันนี้มันเป็นของเราหรือ เ, เราหรือว่าเราเป็นของมันจำแน่บางคนนะถูกจี้โจรก็จะจี้เอาเงินแต่ด้วยความเสียดายเงินด้วยความหวง ก็ต่อสู้จนเสียชีวิตเพียงเพื่อรักษาเงินรักษาทองเอาไว้อันนี้เงินเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของเงินกันแน่บางคนหาเงินมาได้เยอะแยะทุ่มเทชีวิตยอมสละครอบครัวไม่สนใจสุขภาพก็เพื่อเงินทอง หรือชื่อเสียงคือยอมตายเพื่อมันได้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนี่มันเป็นของเราหรือว่าเราเป็นของมันได้มาแล้วได้เงินได้ทองมาเยอะแยะก็ยอมอยู่อย่างอัตคัดไม่ยอมใช้จะได้ประกอบประโ ง, งมมันนะจนกระทั่งยอมสูญเสียทุกอย่างเพื่อมัน เราเป็นของมันไปจิละน้อยจิละน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวปาก็บอกว่านี่เป็นของเราที่เป็นของเราให้เราเป็นของมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัติเท่านั้นนะลูกหลานเราก็บอกว่าดีลูกห ล, กลานของเราแต่พอเขาไม่เชื่อฟังเราพอเขาไม่เป็นไปตามใจเราเราก็ทุกแลเราก็โกรธ ยิ่งเราไปยึดว่าเป็นของเรามากเท่าไหร่เราก็ยิ่งตกอยู่ใต้อำนาจของเขามากเท่านั้นลูกมากลายเป็นมากาหนดชีวิตของเราก็กลายเป็นว่าเราอยู่ในอำนาจของลูกก็กลายเป็นว่าเราเป็นของลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกเป็นของเราบางทีลูกตายก็แทบจบตายไปด้วย ตัวเองก็แทบจะตายไปด้วยเรื่องคนลักยิงคนลักก็ยิงแล้วใหญ่มีคนลักของฉันมีคนลักของฉันแต่พอเขาพูดแต่ไรไม่ถูกใจพูดแต่ไรก็ทบใจทั้งนั้นแหละฆ่าตัวตายเลยตกลงเป็นคนลักของเราหรือว่าเราเป็นของคนลัก ความคิดก็เหมือนกันงา น, งานการก็เช่นเดียวกันเราคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วเราไปยึดว่ามันเป็นความคิดของเราไม่ช้าไม่นานแล้วก็กลายเป็นของมันไปคือใครมาต่อว่าความคิดนี้ไม่ได้ใครมาวิพากวิจาร์ไม่ได้ฉันต้องต่อสู้วันนี้ฉันยอมตายได้เพื่อความคิดนี้เพื่อทฤษฎีนี้หรือเพื่ออุดัการนี้ยอมทิ้งครอบครัวยอมสละ สิ่งต่างๆตัวั้งชีวิตก็เพื่อมันนะความคิดไม่ใช่ของเรานะเราเป็นของความคิดเรานอนอไม่หลับคิดไม่ได้เพราะว่าความคิดนี้มันถูกกระทบกระแทกถูกวิพากวิจารณ์คนลักไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ก็นะ เป็นทุกข์เมื่อสองสปีก่อนช่วงที่มีการาประท้วงต่อต้านนายกทักษิณเพื่อนสองคนนะก็ค่ากันตายตินเล่าคุยกันเรื่องการเมืองคนหนึ่งเชียร์ทักษิณคนหนึ่งไม่เชียร์ทักษิณโมโหไเลยฆ่าเอาค้อนเอา อาวุกล้มือมาฟาจนจนตายคือยอมติดคุกได้เพื่อเพื่อความคิดเ พ, เพราะว่าเพื่อป้องกัน ร, รักษาความคิดนี้เอาไว้คือความคิดว่าทักสินดีทักสินไม่ดีอันนี้เป็นประกการณ์ที่เห็นทั่วไปยอมตายเพื่อความการหรือว่าไปฆ่าคนตายด้วยเรากลายเป็นทางของความคิดไปซะแล้ว ไม่ใช่ว่าความคิดหรืออุมการเป็นของเรางานการก็เช่นเดียวกันทุ่มเทชีวิตนะเพื่อ ง, งานโดยไม่คิดหน้าคิดหลังอาจจะต้องทำร้ายคนน้้นคนนี้เพื่องานสาเร็จเพราะไปะยุ้เป็นงานของฉันแต่โดยไม่รู้ตัวฉันกลายเป็นของงานเป็นแล้ว เนี่ยคำว่าของเนี่ยมันมันหลอกตาเรามันหลอกใจเราเราก็ไปคิดว่านี่ของเรานี่ของเรานี่ของเราเราไม่รู้เลยว่าเรากลายเป็นของมันไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะในทำนองเดียวกันนะ ความไยึดติดว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนีนะ่ฉันเป็นครูฉันเป็นพระนะฉันเป็นคนไทยฉันเป็นผู้ว่านะพอไปยึดติดเข้าตรงนี้เนี่ยนะฉันไม่ได้เป็นครูแล้วแต่ครูอะเป็นฉันใครมาวิพาวิจารณ์ครูไม่ได้ มันกระทบถึงฉันด้วย <c oughs> ฉันเป็นผู้ว่าแต่พอไปยุติดเข้ามากๆผู้ว่าก็เป็นฉันพอกระเสียนจากผู้ว่าฉันก็แทบจะตายให้ได้ความเป็นฉันมันหมดไปเลยไม่มีค่า ม, มีผู้ว่าเป็นคนหนึ่งนี่ ตอนเป็นผู้ว่านี่ก็มีความสุขชีวิตเบิกบานแต่พอเกษียณก็หมอยเหงาวันดีคืนดีก็มีคนทางจังหวัดก็มาเชิญให้ไปร่วม ง, งานของจังหวัดที่ตัวเองเคยเป็นผู้ว่าก็ดีใจนะกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่พอได้ไปร่วม ง, งานลูกน้องที่เคยมาเฝ้าแทนลูกน้องที่เคยมาดูแลบริการ พ่อค้านักธุรกิจที่เคยมาเฝ้าแหนก็ไม่สนใจเขาไปเกาะแวนล้อมอยู่ผู้ว่าคนใหม่ตัวองนี้หมดความหมายแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าหงอยกลับบ้านก็ซึมแล้วก็อยู่ไปไม่กี่ปีก็ตายหน่อยเพราะว่าปรปยึดติดยู่ว่าฉันเป็นตอนที่เป็นผู้ว่าไปยึติว่าฉันเป็นผู้ว่า โดยไม่รู้ว่าผู้ว่ากลายเป็นชันไปแล้วพอพลากจากผู้ว่าความเป็นชันนั้นก็แทบจะไม่มีคุณค่ามีความหมายเนี่ลองดูให้ดีนะเราไปยึดอะไรก็ตามว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นท่านเป็นนี่โดยไม่รู้ตัวเราก็กลายเป็นของมันไปแล้วเราก็ฝาก เอาชีวิตของเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งนั้นเราไม่ได้เป็นมันแต่ ม, มันเป็นเราตรงนี้เนี่ยคือคือปัญหาที่ทำให้เกิดความทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามพอไปยึดติดเข้าเนี่ยมันทุกทันทีแม้แต่การไปการเป็นบางเรื่องซึ่งดูเหมือนไม่ไม่ เป็นอะไจะเป็นอะไรเช่นเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าไปยึติดกับความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อเห็นแค่รูปไม่ทำตามคําสั่งของเราหรือไม่ทาําหรือเถียงเราเราก็ทุกข์มี เคยมีเรื่องหนึ่งนะลูกนี่ก็เป็นวัยรุ่นเอาแต่ดูเาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ดูกับอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแชททั้งวันทั้งคืนไม่เป็นอันเรียนแล้วก็ไม่เป็นอันกินอันนอนแม่ก็เตือนลูกก็ไม่ฟังเตือนหนักๆเข้าแม่ก็ว่าลูกก็ เถียงสุดท้ายก็ลูกก็ไม่พูดกับแม่แม่พยายามเท่าไหร่ลูกก็ไม่พูดสุดท้ายแม่ก็เลยยื่นคำขายว่าถ้าลูกไม่พูดกับแม่ไม่จะฆ่าตัวตายลูกก็ใจแข็งไม่พูดกับแม่จริงแม่ทันทีเลยนะโดดออกไปข้างนอกคือมันอยู่บนตึกโดดลงมาจาก นัดโดดลงมาจากประตูชั้น2องชั้น3ลงมาตายอันนี้ก็แม่กลายเป็นของลูกไปซะและ้วแล้วก็ความเป็นแม่ก็กัดตัวเองพอเพราะไปยึติว่าลูกต้องฉันเป็นแม่ลูกก็ต้องฟังฉันลูกก็ต้องเชื่อฉันลูกต้องเคารพฉันนี่ก็คือทุกข์ของความเป็นแม่เมื่อไปยิติดเขา้า เป็นนักปฏิบัติธรรมถ้าไปยึดติดว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ทุกข์นะเพียงแค่เขามีคนพูดว่าเธอไม่มีสติเลยแค่นี้ก็โกรธโมโหไม่มีคำด่าอะไรจะแรงเท่ากับว่าดาวาไม่มีสติหรือว่าไม่มีศีลหรือว่า ศีลไม่ครบถ้วนศีลทะลุศีลพร่องนความเป็นความเป็นนักปฏิบัติธรรมมันก็กัดได้เหมือนกันมันก็ทำลายแล้วเหมือนกันถ้าเราไปยึดติดเป็นพระอยนี้เขาพูดด้วยวาจาที่ เดืยอนยังไม่ถูกต้องตามประเพณีก็หรือเขาไม่ไหวไม่กราบนะบางทีก็ขุดใจขึ้นมาเป็นบางทีนะเป็นอาจารย์ก็เหมือนกันนะใหม่ๆ ใ, ใครเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์อย่าเรียกนะไม่ชอบเรียกว่าท่านหรือว่า หรือว่าหลวงพี่ก็พอแต่พอเรียกไปนานๆก็เคลิ้มครั้นคนอื่นไม่เรียกว่าเป็นอาจารย์ก็โกรธไม่พอใจขึ้นมาสะดุดใจขึ้นมาอันนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ของความเป็นนั่นเป็นนี่พอเราไปยึดมันแล้วเนี่ยเรามัน เราไม่ได้เป็นพระแล้วแต่พระเป็นเราเราไม่ได้เป็นคนไทยแล้วแต่คนไทยเป็นเราใครมาพูดถึงคนไทยในทางไม่ดีเราก็โกรธขึ้นมานะทางนั้นที่เขาไม่ได้พูดเจาะจงมาถึงตัวเราอันนี้เพราะอำนาจของความยึด ต, ติแม้แต่เรื่องเล็กๆ น, น้อยๆนะพอไปยึดเข้าแล้วนี่นะ มันก็กลายเป็นล่างเงาของความทุกข์ได้มีเรื่องนึงที่ชอบใจนะมันได้แง่คิดดีเป็นเรื่องครูคนนึงนะอยู่แถววัชสเกตเป็นครูโรงเรียนวัชสเกตที่กรุงเทพมีวันหนึ่งเกิดถูกผู้โดยการต่อว่า ในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรก็โมโหหงุดหงิดไม่รู้ทำอะไรก็เลยขึ้นไปบนภูเขาทองพอขึ้นไปบนภูเขาทองนี่มองออกไปข้างล่างเห็นทัศนียภาพแล้วมันกว้างโล่งโปร่งเป็นมุมในกี่มุมในกรุงเทพนับดีคอนแต่ละแวงนั้นที่จะเห็นอะไรกว้างกว้างโปร่งโร ง, โรงสบายใจ รู้สึกว่าไอ้เรื่องหนัก อ, อกตังใจมันผ่อนคลายตอนหลังก็เลยชอบขึ้นไปบนภูเขาทองบางทีวันหนึ่งขึ้นไปสองครั้งสามครั้งก็มีเพราะวะ่เาะวะะเลงเกวสเก็ตติดอยู่กับภูเขาทองทำอย่างนี้เป็นปีวันหนึ่งมีนักข่าวเขาก็ขึ้นไปทำสารคดีเกี่ยวกับภูเขาทองก็มีเจ้าที่ทง่นั่นบอกว่าเนมีครูคนนึงเนี่ย ขึ้นภูเขาทองนี่วันละไม่รู้กี่ครั้งเท่าที่จดได้นี่ก็เท่าที่ขื้นต้องมีการเขียนว่าใขขึ้นบ้างขึ้นมาเป็นพันนี่แค่ปีเดียวขึ้นมาเป็นพันครั้งนักข่าวนี่สนใจก็เลยไปทําข่าวพอทําข่าวเป็นบทความขึ้นมาโทรทัศน์ก็เอาไปสัมภาษณ์ช่องนั้นช่องนี้ก็ทําสารคดีก็เลย กลายเป็นมีชื่อเสียงและได้ชื่อว่าเป็นนักขึ้นภูเขาทองทีนี้แหละนะพอเป็นข่าวเข้าโด่งดังเข้าใครๆก็อยากอยาก อ, อยากขึ้นมั่งนะไปขึ้นกันใหญ่แล้วไปไปมาก็เลยอยากแข่งมั่งเริ่มมีการนับว่าฉันขึ้นในกี่ครั้ง ตอนหลังก็มีคนหนึ่งนี่นต้องการทําลายสถิติของครูคนนี้ก็เลยพยายามขึ้นอยู่นั่นแหละคือย น, นั่นแหละครูคนนี้พอรู้ว่ามีคนพยายามลบสถิติตอนนี้ก็เลยกลายเป็นหน้าที่แล้วมันต้องขึ้นให้ได้บางวันไม่มีอารมณ์แต่ว่าฉันเป็นนักขึ้นภูเขาทองเ น, เนี่ยจะให้ใครมาลบสถิติได้ยังไง ต, ตอนนี้ก็ต้องขึ้นละหา ว่างไม่ได้เป็นต้องขึ้นบางที่ไม่ว่างก็ต้องขึ้นแต่ว่าไอ้คู่แข่งนี่มันก็ไม่ยอมก็พยายามทำรับสติตียให้ได้จงก็กลายเป็นว่านักขึ้นบัวทองตอนงหลังก็เริ่มนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าคู่แข่งเริ่มจะมาเริ่มจะมาเอาชนะนี่เป็นเรื่องเล่านะ เป็นเรื่องเล่าของชาติเก่อกิตติม่ใชเรื่องจริงแต่ว่ามันมันสะท้อนมันสะท้อนกิเลส ข, ของมนุษย์แล้มันสะท้อนความเป็นจริงที่ว่าคนเราเนี่ยพอมันยึดว่าเป็นอะไรเนี่ยแม้แต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเพียงแค่เพียงแค่ว่าเป็นนักขึ้นภูเขาทองเนี่ยก็เตรียมตัวทุบได้ละแต่ก่อนตอนที่ไม่มีใครตอนที่ไม่ไม่มีใครเรียก ว, ว่าเป็นนักขึ้นบูเขาทอ ง, ทองก็มีความสุขดี ขึ้นบุทองก็สบายแต่พอได้ช่วยเป็นนักขึ้นบุกทองเอาละมันทุกข์แล้วไงใหม่ๆก็สุขกันนะแท้ๆก็ชื่นชมสรรเสริญแต่ตอนหลังก็กลายเป็นทุกข์เพราะว่าไอ้ความเป็นนักขึ้นบุกทองมันกำลังจะถูกถูกแย่งไปอันนี้เราเรียกว่าชาตินะภาษาภาษาภาษ า, า, ษาบริบทว่าชาติบางทีแล้ว เ, เรียกครอบคุมกันว่าชาติภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี้มันก็เป็นพอเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้นั่นแหละชาติเกิดขึ้นแล้คือเราเกิดเราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาในในใจเป็นชาติแล้วขึ้นพูดว่าชาติแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีหรือความเกิดเนี่ยก็ต้องมีการดับหรือมีความบีบคั้นเรียว่าฉลามวรณะพอเราคิดหรือสำคัญมันว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันก็จะถูกมันก็จะทุกข์เพราะว่า มันจะมีภาวะที่ถูกบีบคั้นขึ้นมาเน่เช่นเป็นนักขึ้นบุกทองเนี่ยมันก็จะถูกพอมันมีคู่แข่งขึ้นมาแล้วมันก็รู้สึกว่าชลามรยน่ะใกล้จะเกิดใกล้จะมาลวใกล้จะเกิดขึ้นลตลอลจะแล้วก็จะกลัวการถูกพลากจากสภาวะเช่นนั้นเป็นคนเก่งก็ทุกข์ เมื่อมีคนอื่นทำท่าจะเก่งกว่าความเก่งมันกลยถูกพรากออกไปจากตัวเองอันนี้เรียกว่าชรามรณะใกล้จะเกิดหรือว่าเก่งแต่ว่าไม่มีคนรู้ว่าตัวเองเก่งเป็นคนดังเพื่อเป็นคนดังแต่ไปที่ไหนไม่มีใครทัก มีพิธีกรคนหนึ่งมีชื่อเสียงมากนะออกรายการโทรทัศน์เกี่ยวเรื่องการเมืองมาสึกกว่าปีเสร็จแล้วช่องเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไปลงไปสมัครการเมืองหรือที่แถวสมุดรปราการบรากว่าพอไปหาเสียงท่า น, นคนไม่รู้จักเลย ตกใจมากเพราะว่าเชื่อตัวนี้เป็นคนที่รู้จักมาเพราะว่าไปที่ไหนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยสารคดีโทรทัศน์อะไรเขาก็รู้เป็นข่าวเอ่ชื่อก็รู้จักเลยนะโดยเฉพาะในช่วงประท้วงทักสิงแต่พอไปหาเสียงจากโทรประการไม่รู้จักเลยโอ้สะเทือนมากเลยอันนี้นับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงดารานไม่ต้องพูดถึงดาราบางที ด้ว่าไปแล้วคนก็จะรู้จักแต่ว่าพอไปไม่รู้จักก็บางทีไม่ไม่แค่ตะลึงที่โมโหไม่พอใจมีเจ้าว่าจังหวัดหนึ่ง เ, เจ้าคณะจังหวัดจังหวัดหนึ่งไปเยี่ยมลูกวั า, าไม่ได้เยี่ยมวัดไปเยี่ยมวัดในจังหวัดภาพในวัดไม่รู้จักเลยโมโมหเลยพอใจขึ้นมาเรียกพระมาดารู้ไหมว่าฉันเป็นใคร อันนี้ก็คลายกับเรื่องของตำรวจใหญ่คนหนึ่งนะตอนนี้มีชื่อแกภาพลักษณ์ดีมากว่าเป็นคนซื่อเป็นคนซื่อสัตว์ตรงฉินก็ไปพาเพื่อนไปกินอาหารในร้านอาหารร้านหาก็มีชื่อไม่ดังในเรื่องความในไม่ดังเป็นที่รู้จักแต่ว่าในบ้นวงเขารู้จักกันดีวันนั้นคนแน่นมากก็สั่งแล้วอาหารก็ไม่มา ก็เลเรเจ้าของร้านมามาว่าวรู้ไหมว่าโอเป็นใครอันนี้เจ้าของร้านมาพูดามาฟังก็เลยเลือกโอตำรวจคนนี้นี่ก็ยึติดเหมืนกังเขายึดติดความเป็นคนดังเนยเพราะว่าเขาเป็นคนเป็นตำรวจมีชื่อคลๆก็รู้จักเอยชื่อคล้ายๆก็รู้จักนะพราะเป็นข่าวมานานเนี่ยคือพอไปพอเราไปสําคัญมั่นหมายหรือไปยึดติว่าเราเป็น เราเป็นคนดังเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีชื่อเสียงเราเป็นคนเป็นคนตรงชินนะอันนี้ก็เตรียมทุกได้เลยเพราะว่ามันจะคอยถูกมันจะปล่อยจะปล่อยให้อะไรต่างามากระทบอยู่เสมอเหมือนกับลูกโปง่งที่มันใหญ่เนี่ย แม้แต่มันก็กลายเป็นเป้าใหญ่ให้อะไรมนกระทบได้ง่ายแล้แม้กระทั่งเศษฟางเศษอะไรมันมันก็กลัวเพราะว่าถูกนิดเดียวก็แตกเพราะอีโกเนี่พอมันใหญ่แล้วเนี่ยมันมันจะเปราะ บ, บางมากไม่ใช่ใหญ่แล้วจะจะเข้มแข็งมันเปราะ บ, บางลูกโป่งที่ใหญ่ๆถ้าเราเราเป่าให้มันใหญ่ๆ ใ, ใ, ใ, ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะบางๆจนทั่ง ถูกอะไรมาแตะนิดหน่อยมันก็ระเบิด น, ะนี่คือลักษณะของอัตตาที่เกิดจากความยึดติดว่าฉันเป็นนั่นเป็นนี่นี่ยความาที่ว่านี่นี่คือนี่คือนี่คือปัญหาของไอ้ความยึดติดคราวนี้เราจะทำยังไงนะถ้าเรายึดติดของ มันก็ไม่ใช่ของเราเรากลายเป็นของมันการที่จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ด้วยการ ม, ม, มันไม่ใช่ว่าจะต้องแก้ด้วยการสลัดของต่างๆออกไปอย่างเดียวแต่การทำเช่นนั้นก็มีความสำคัญหมืองกัน ทือทางพุทธศาสนาในเรื่องการให้ทานเนี่ยก็เพื่อที่จะสลัดหรือสละหรือบรรเทาให้ความยึดติดในความยึดติดในสิ่งต่างๆลดทอนความยึดติดในสิ่งของแต่ว่าในความใ น, ในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะสละมากแค่ไหนมันก็อดไม่ได้ที่จะไปยึดกับไอ้ของ ที่มีอยู่เพียงแค่ม่กี่ชิ้นแม้แต่ขอทานมีของไม่กี่ชิ้นก็ยังยึดติด ก, กับสิ่งที่ดูเมืนไม่มีคุณค่าได้สิ่งที่จะช่วยได้คือการที่เราพิจารณาอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งเ่านี่มันไม่เที่ยงสิ่งที่เรามีถ้ามันไม่เที่ยม มันพร้อมที่จะแปรผันหรือว่าพากจากเราไปตลอดเวลาถ้ามันไม่ไปจากเราเราก็ไปจับมันมันก็มีแค่นี้แหละการที่เราเระลึกอยู่เสมอว่าไอสิ่งที่เรามีนี่มันพร้อมที่จะสูญเสียหรือพากจากเราไปมันก็ช่วยทำให้ความยึดติด มันน้อยลงเดีย๋ยวเออเออพราะความยึดติดว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราพิจารณาในใจอย่เสมอว่ามันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเวลาใครเอาไปหรือเมื่อเราสูญเสียมันไปก็จะไม่ทุกข์มากยิ่งคิดในใจว่ามันไม่ใช่ของเราหรือพิจารณาอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ของเราเลย มันก็ช่วยยิ่งลดทอนความทุกข์ไปได้เยอะเพราะถ้าไม่มีเพราะถ้ามันไม่ไม่มีคำว่าได้มันก็ไม่มีคำว่าเสียเพราะได้จึงมีเสียเพราะมีจึงมีหมด ถ้าไม่มีมันก็ไม่หมดแต่มีเมื่อไหร่มันก็หมดหรือว่ากลัวจะหมดตรงนี้เนี่ยการพิจารณาอยู่เสมอหรือการเติอนใจอยู่เสมอว่าสิ่งที่เรามีนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นของเราเน่มันมันไม่เที่ยมมันไม่มาเป็นของชั่วคราวแม้กระทั้งว่ามันไม่ใช่ของเราเลยแต่เป็นของที่หยิบยืมมา บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เกีอ่อวนี้มันเป็นของเราแล้วเนี่ยเราจะมีความใส่ใจที่จะดูแลรักษาเหมหรือถ้าไม่ใช่งานของเราแล้วเนี่ยเราจะมีกำลังใจทา ง, งา น, นนั่หรืออันนี้มันไม่จม่ันไม่จเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปของที่เราเหยิดยืนมาจา ก, กเพื่อนนะ่ ใช่หรือไม่ว่าเราก็ต้องคอยดูแลรักษามันเรายืมเงินใครมาเราก็ต้องคุณขวขายที่จะหาคืนไม่ใช่ว่าป่อยปาละเลยการดูแลรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นของเราเสมอไปแม้ว่าเป็นของที่ยิบยืมมาเราก็ดูแลรักษามันเพื่อที่จะคืนให้แก่เจ้าของ สิ่งที่เรามีเนี่ยที่บอเป็นของเราเนี่ยมันเป็นของเราโดยสมมติแต่มันไม่ใช่เป็นของเราจริงๆถ้าเราไปยึดว่าเป็นของเราเมื่อไหร่ก็ไม่ต่าจากขโมยเมื่อเป็นขโมยเราก็ต้องถูกไล่ล่าถูกลงโทษใครไปขโมยของชิ้นใดามาก็อยู่ไม่สุขถูกตำรวจตามล่า ถูกตามล่าได้จับได้ก็ต้องติดคุกถูกลงโทษตามได้ก็ตามที่เราประยึดติดสิ่ ง, งต่างๆว่าเป็นของเราเราก็กําลังกลายเป็นขมโมยโดยไม่รู้ตัวนั้นเราก็จะถูกธรรมชาตินะลงโทษเพราะว่าเราเป็นขมโมยไปเส้นแล้วต่อเมื่อเราคืนให้แก่เจ้าของคือคืนให้แก่ธรรมชาติไปเราก็เป็นถูก สังข า, งารกลางๆเราก็เหมือนกันนะเราไปยึดเป็นของเราของเราเราก็กำลังกายเป็นขโมยแต่เมื่อใดก็ตามที่เราสลัดคืนหรือว่ามอบ ก, กรรมสิทธิ์คืนกรรมสิทธิ์ให้แก่ให้แก่ธรรมชาติไปไม่ยึดเป็นของเราอันนั้นเราก็จะก็จะก็จะมีความสุขหายทุกข์ อย่าไปสงสัยว่าถ้าไม่ใช่ของเราแล้วนะเราก็ไม่ต้องดูแลสิถ้าเราเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่ต่างจากคนที่ยืมเงินคนเข้ามาแล้วก็เบี้ยวหรือว่ายืมทรศเข้ามาแล้วก็อพอไม่ไม่ดูแลรักษาแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบไม่ดีไปงานการต่า ง, างๆแม้จะไม่ใช่ของเรา แต่ว่าถ้ามันมีประโยชน์นะ ม, มีประโยชน์มีคุณค่าเราก็ทํางานนั้นไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของเราแต่เพราะเห็นว่างานนั้นมีประโยชน์อย่างที่พระพุทธองค์เนี่ยได้ทาําเผยแผ่สั่งสอนเนี่ยพระงก็ไม่ได้คิดว่าเป็นงานของพระองค์ไม่ได้ยึดมั่นอย่างนั้นแต่ว่าพรองทําด้วยความเมตตากรุณานะไม่ใช่เพราะความยึดติด ใอนเรองการความเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันเป็นอะไรก็ตามเราก็ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นเมื่อไหร่ก็เตรียมใจทุกเมื่อนั้นเป็นก็ต้องรู้จักเป็นให้เป็นก็คือว่าเป็นโดยไม่ยึติดก็รู้ว่านี่มันเป็นสมมุติเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพระเป็นคนไทยเป็นอาจารย์หรือเป็นนักปฏิบัติธรรม จะว่าเปล้เป็นนักอะไรก็ตามนี่มันเสียงทั้งนั้นนะเสียงต่อความทุกข์เป็นนักเขียนเป็นนักวาดเป็นนักสแสดงถ้าใครตำหนิเราก็โกรธฉันเป็นนักวาดมาตําหนิฉันงี้ไดงไงฉันเป็นนักเขียนถูกตำหนิก็ไม่ก็ไม่พอใจความเป็นนักเนี่ยมันมันหลอกเราโดยโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัว เป็นนักไรนี่มันมีแต่จะไปเสริมอีกโก้อัตตามีดูมันจะมีอย่างเดียวที่เป็นแล้วดีคือเป็นนักเรียนเพราะถ่อมตนนักเรียนสอนให้เราถ่อมตัวไฝรู้อยู่เสมอแต่ว่าถ้าเป็นนักเขียนนักกีฬานักกีฬานักแสดงให้ความเป็นนักเนี่มาใส่นความเชี่ยวชาญแล้มันก็ทําให้เกิดความยึดติดในอัตตานะั้น ถ้าเราพยายามที่จะพยายามรู้เท่าทันเวลาใครสมมติว่าเราเป็นนักเป็นนี่หรือแมืกระทําเป็นนักขึ้นปกาทองอย่างที่เล่ามาซึ่งดูเหมือนไม่สำคัญอันนี้เนี่ยต้องระวังมันพร้อมีะทำให้เราทุกตลาดเวลาคือกัดเราอย่าที่ท่าจะพูดทานว่า ความไม่เป็นนั่นเป็นนี่เสียเลยเนี่ยดีที่สุดนะอย่างในพระไตรปิฎกก็มีเคยพูดถึงเหตุการณ์ตอนใ น, ในของพระองค์พระองค์ได้เดินมีคนเดินผ่านมาเห็นพระองค์เห็นมีสง่าราศีดีเป็นที่จับตาจับใจก็เลยถามว่าท่านเป็นชาวดาหรือพระองค์ก็ตอบว่าไม่ใช่พรามถามเป็นคนทันหรือพระองค์ก็ตอบว่าไม่ใช่ ท่านเป็นยักษ์หรือเปล่าก็ไม่ใช่ท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมพร้มกับพิรุษเสธ็จพรามก็เลยงงพร้มก็บอกว่าถ้าจะเรียกก็เรียกเราว่าพุทธะกันแล้วกันคือพร้มไม่ได้เชื่อพร้มเป็นพุทธะแต่ว่าถ้าจะเรียกเบอสมมติก็เรียกเป็นพุทธะและท่านก็อธิบายว่าอกิเลสที่ทําให้พร้มเป็นนั้นเป็นนี่ ไม่มีแล้วเกยรที่ทำให้เป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมันไม่มีแล้วคือเรียกว่าพบชาติไม่มีแล้วนะแต่แต่ใดที่เรายังยังยังมีอวิชชาแล้วก็ไม่รู้จักมีสติตมันความเป็นพบเป็นชาติมันก็เกิดความสำคัญเมื่าไหร่นนเป็นนั่เป็นนี่ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และพอเป็นแล้วเนี่ยอย่างที่ว่ามันก็พร้อมจะทุกข์แนละ้วจะเป็นในสิ่งที่ดีนะเป็นคนเก่งเป็นคนดีไม่เอาพูดถึงการรู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเห็นเป็นคนไม่เก่งเป็นคนเลอะและเป็นคนอ่อนแออันนี้ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะไม่ไม่ต้องอธิบายมาก ฉะนั้นเนี่ยเวลาเร า, เ ว, า, เ, ราเวลาเราเวลาเราหรือไปคิดว่าเราเป็นอะไรก็ตามเนี่ยให้พยายามตื่นใจของตัวเราเองว่าเป็นอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าเราไปยึดติดถือมั่นกับมันเพราะว่ามันจะมีกิเลส ท, ที่ควบคู่ไปกับความเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดเวลา เป็นแม่เป็นพ่อก็มีกิเลสอย่างหนึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระก็มีกิเลสอย่างหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมก็มีกิเลสอีกอย่างหนึ่งแล้วกิเลสก็นําความทุกข์มาให้เพราะว่าเมื่อได้เมื่อมีความอยากแล้วไม่สมอยากมันก็ทุกข์เมื่อมีความยึดติดถือมันในบางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังก็ทุกข์ต้งหมดนิ่ก็เป็นเพราะความปยึดติดอันมีเป็น เป็นตัวฉันหรือตัวกูของกูนั่นเองความทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะว่าฉันมีนะความทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะว่าฉันมีแต่ความทุกข์เกิดเพราะว่ามีฉันนั่นเองฉันมีอะไรก็ทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ฉันมีนั้นมันไม่เที่ยงแต่ว่ารังเง่าของมันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันมีอะไรแต่เป็นเพราะมันมีฉันนั่นะ ฉันมีถ้ามีให้เป็นก็ไม่ทุกนะถ้ามีให้เป็นก็ไม่ทุกแต่ที่มันมีไม่เป็นก็เพราะว่ามีเกิดไปเผยยึดว่ามันมีชั้นนั่นแหลนะฉันเป็นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะแต่พอไปยึดว่า น, นั่นเป็นชันนั่นแหละทุกทันทีทุกทันทีที่มีฉันนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่เร า, เาพึงต่อหนักเอาไว้ ควาไปเผะไปยึดมันมีฉันมีฉันมีฉันเพราะว่าเวลาอะไรกระทบเวลาไปเวลาไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะไปสําคัญมั่นหมายว่ามีฉันเป็นประธานอยู่เสมอเวลากินก็ไปสําคัญบั่นหมายว่าฉันเป็นผู้กินเห็นก็ฉันเห็นโกรธก็ฉันโกรธ มันจะมีตัวฉันเข้าไปเป็นประธานในทุกสิ่งต่างๆตลอดเวลาและแต่สิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็ไปที่ว่าเป็นเป็นฉันเป็นของฉันมีความเครียดเกิดขึ้นก็ฉันเครียดมีความหงดหงิดเกิดขึ้นก็ฉันหงดหงิด่ดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวการที่ทําให้เราทุกข์อยู่ตลอดเวลา ต่างกันแต่ว่าจะละเอียดหรือหยาบเท่า น, นั้นเองงั้นถ้าเรามีสติเท่าทรรในความยึดติดเหล่านี้ไม่เข้าไปยึดเห็นเฉยๆแต่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเป็นก็ช่วยทำให้เราถ่ายถอนให้ความยึดติด ที่ฝังลึกหรือว่าเหนียวแน่นไปได้เรื่อยๆการให้การปฏิบัติของเราเนี่ยให้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้รู้เท่าทันในความสําคัญมั่นหมายหรือความยึดติดว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่หรือว่าฉันมีนั่นฉันมีนี่ถ่ายถอนไปโดยตามลําดับ ให้รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นแค่สมมติไม่ใช่เป็นของจิิงในการปฏิบัติเวลาเห็นความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นแค่รู้เท่าทันระวังได้แต่ว่าเห็นต่อไปจนกระทั่งตระหนักว่าในความสึกนึกที่เรานี่มันก็ไม่ใช่เราพอเราไปยึดว่าเป็นเราเมื่อไหร่เราก็เป็นบ้าเป็นหลังกับมันไม่ว่าคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ไม่ไ ม, ไม่น่าเอาทั้งนั้น พอถ้เอาเมื่อไหร่มันก็เปลี่ยนใจทุกได้เลยแล้วก็ชานี้ก็พอสมควรกับเวลาของขยิบๆังนี้ทำความสมสัรณ์ภาก่อนที่เราจะเริมกัน